แนะนำบทยูนุสบทยูนุสเป็นบทมัคคยะมีร้อยเก้าองค์การเท่ความสนใจต่อการศรัทธาเช่นการศรัทธาต่อเลาะศรัทธาต่อบรรดาคมภีรศรัทธาต่อบรรดาศาสนาธูตและสภาต่อการฟื้นขืนชีพและการตอบแทนเป็นบทที่มีจุดเด่นในการชี่เนะไปสู่การศรัทธาต่อคำภีอันภุรัติซึ่งเป็นคำพีเล่มสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาและ เป็นปฏิหารยั่งยืนยงอยู่ชั่วกาลนานในตอนต้นของบทได้กล่าวถึงเรื่องศาลและาศาสนาทูตของอโลห์ไม่มีประชาชาติใดที่อุบัติขึ้นมานอกจากว่าอโลห์ทรงส่งสาศาสนาทูตเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องและพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง และยังแนะนามนุษย์ให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงของพวกเขาซิ่งเป็นการสั่งป่วนอย่างยิ่งที่พวกเขาจะต้องเคารพพระองค์แต่เพียงองค์เดียวยอมมอบกายถวายชีวิตแย่างรุพรปรงเท่านั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประธานปัจจัยชีวิตเป็นผู้ทรงให้เป็นทรงให้ตายเป็นผู้ทรงจัดเตรียมและทรงปริชาญาณบนนี้ยังได้กล่าวถึงท่าทีของพวกปฏิเสธที่มีต่อสารและอัลกุรอาน โดยแจ้งให้ทราบว่าคำเขียอัลกุรอานนี้คือปาฏิหาริย์ที่ยังงยืนที่ยืนยันถึงความสัจจิของท่านนาบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นและยังคงเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกและเป็นปาฏิหาริย์โดยการท้าทายพวกปฏิเสธให้ประพันธ์มาสักบทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคึงกันพวกเขาสามารถ ท, ทั้งที่พวกเขาเป็นเจ้าของอหาร และสำนวนทางด้านภาษาศา์บทนี้ได้แนะนํามนุษย์ให้รู้จักคุณลักษณะของพระเจ้าที่แท้จริงดยการกล่าวถึงสั ญ, ญลักษณ์แห่งอานุภาพและความเป็นดูเมตตาของพระองค์ที่บ่งชี้ถึงการจัดเตรียมความปริชัยยานของพระเจ้าแห่งสาคูโลโลกและสิ่งที่อยู่ในจักรวาลที่เรามองเห็นถึงร่องรอยแห่งอนุภาพอันเด่นชัดซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ความปริชัยยาน และการให้เอกภาพแกอ่อววะได้นํามากล่าวถึงพร้อมด้วยหลักฐานทางด้านโสตประสาทแห่งสติปัญญาบทนี้ยังได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของน บ, บีบางท่านเช่นเรื่องของด บ, บีนัวกับกลุ่มชนของท่านเรื่องของนบีมูซากับวิรูนผู้เกลี้ยกล่อและเรื่องของด บ, บียูนสุสซึ่งชื่อของท่านเป็นชื่อของบทนี้ เรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ปรากฏอยู่ในบทนี้เป็นการชี้ถึงแนวทางของอเล็กในการบริหารกิจการต่างๆเช่นการลงโทษผู้อาธรรมและการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ศรัทธาบทนี้ได้จบลงด้วยการให้ท่านรอซูลสละล้อวะลาห์วะสลัมยึดมั่นต่อบทบัญญัติของอเล็กและอดทนต่อการต่อต้านและการทำร้ายในการเผยแพร่ศีลธรและจงอดทนจนกว่าอเล็กจะทรงตัดสิ่งชี้ขาด ซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงตัดสินที่ขาดที่ดี่ลิสมิลลาฮิลลอฮ์มานรอฮีมด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลามรอทิลกอายตุอลกิตาบิลฮะีมอลิฟลามรอ เหล่านี้คือบรรด า, อ ง, าองค์การแห่งคัมภีร์อันชั ربِّهِم เป็นเรื่องประหลาดแก่มนุษย์หรือที่เราได้ประธานองค์การแก่ชายคนหนึ่งแก่พวกเขาให้ตักเตือนมนุษย์และแจ้งข่าววีกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าแท้จริงสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับตำแหน่งอันสูงณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า هذه هي نكماياهون، ي منتظمة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إ د ن ه ذلكم الله ربكم، فعبدوا. ถ้าจริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าคืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในเวลาหกวันแล้วพระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์ทรงบริหารกิจการไม่มีผู้ใหความทช่วเหลือใดๆเว้นแต่ต้องได้รับอนุมัติจากพระองค์นั่นคืออัลลอฮ์ผู้ทรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าพวกเจ้าจงเคารพพักดีต่อพระองค์เถิดพวกเจ้าไม่ได้ใครควรดูดกลืน إليه مرجعكم ج م ي ع ا و ع د الله ح ق ا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ل ي ج ز ي الذين آمنوا ل ي ز ي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ب ا ل ق ص ط ยังพระองุงเท่านั้นคือทางกลับของพวกเจ้าทั้งหลายสัญญาของร้อนนั้นเป็จรินเสมอถ้าจริงพระองค์นั้นทรงเริ่มการสร้างและพรงส์ทรงให้มันบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธา และผู้ ก, กระทำความดีอย่างยุติธรรมส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรันั้นพวกเขาจะรับเครื่องดื่มที่ร้อนจัดและการโลงโทษอันเจ็บแสบเพราะพวกเขาปฏิเสธศรัทธา พระองค์ทรงทําให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าและดวงจันทร์มีแสงนวลและทรงกําหนดให้มันมีทางโคจรเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จํานวนปีและการคำนวณอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นเว้นแต่ด้วยความสิ้มพระองค์ทรงจําแนกสัญญาณต่างๆสํ า, าสหรับกลุ่มชนที่มีความรู้ อาวแท้จริงการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันและการที่อลอ ส, สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนที่มีความยำเกรง ถ้าจึงบรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเราและพวกเขาพอใจต่อชีวิตในโลกนี้และพวกเขามั่นใจต่อมัน จะบรรดาพูละเลยต่อสัญญาณต่างๆของเราออูล ม, บมาาุบชนเหล่านั้นที่พมนักของพวกเขาคือนรกนั่งด้วยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้ินนัล่านีนทีมนูวของพวกเาขีนรกเนืดีฮิมรทีบพวกเขาขวานิฮิม รแท้จ ร, ร จ, จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีพระผู้บาลของพวกเขาจะส่งชี้แนะทาง น, นังที่ถูกต้้มให้แก่พวกเขาเนื่องด้วยการศรัทธาของพวกเขาภายใต้พวกเขามีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อันเกษรรมสำ ร, รัญ ه ه ه ه การขอพอรของพวกเขาในสวนสวรรค์คือมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านพระองค์ลาะฮ์และคำทักทายของพวกเขาในนั้นคือความสันติและสุดท้ายแห่งการขอพอรของพวกเขาคือการสรรเสริญ เป็นของ a l ะ a h พระผู้อวิบายนแก่สามนโลก ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء الناس طغيانهم يعمه และอัลลอฮฺทรงเร่งการตอบรับความชั่วของมนุษย์เช่นเดียวกับการเร่งของพวกเขาเพื่อขอความดีแล้วแน่นอนความตายของพวกเขาก็คงถูกกำหนดแก่พวกเขาแล้วเราจะปล่อยบรรดาผู้ที่ไม่หวังที่จะพบเราให้อยู่ในความงมงายเพราะการดื้อรั้ของพวกเขา แล้วเมื่ออันตรายได้ประสบกับมนุษย์เขาก็จะวิงวอนขอเราในสภาพนอนตะแคงหรือนั่งหรือยืนทั้นเมื่อเราปลดเครื่องอันตรายของเขาให้พ้นไปจากเขาแล้ว เขาก็เหมือนคล้ายกับว่าเขาไม่ได้ขอเราให้พ้นจากอันตรายที่ได้ประสบแก่เขาเช่นนั้นแหละได้ถูกทำให้สวยงามแกบรรดาผู้ละเมิดขอบเขตในสิ่งที่พวกเขากระทำ และโดยแน่นอนเราได้ทำลายประชาชาติจากศตวรรษก่อนพวกเจ้าไปแล้วเมื่อพวกเขาเป็นผู้อธรรมและบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วพวกเขาก็ไม่ศรัทธาเช่นนั้นแหละเราจะลงโทษกลุ่มชนที่เป็น มมลแล้วเราได้แต่งตั้งพวกเจ้าให้เป็นตัวแทนในแผ่นดินหลังจากพวกเขาเหล่านั้นเพื่อเราจะดูว่า พวกเจ้าจะปฏิบัติตนอย่างไร وإذا ت ت ل عليهم آياتنا بينا ت ق َ ا ل َ الَّذينَ لا يَرجونَ لِقَاءَ ل َ ئ ت ِ ب ق َ ر آ ن غَيْرِهَا ذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أ ب َ د ِّ ل َ ه ُ مِنْ ت ِ ل ْ ق َ ا ئ ِ ن َ ي ในเมื่อบรรดาองการอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาแล้วบรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเราก็กล่าวว่าท่านจงนำคัอภีร์อื่นจากนี้มาให้เราหรือเปลี่ยนแปลงเสียชุ่มกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าไม่สมควรแก่ฉันที่จะเปลี่ยนแปลงโดยพระการจากตัวเถิดฉันจะไม่ปฏิบัติต่างเว้นแต่สิ่งที่ถูกประธานลงมาให้แก่ฉันเท่านั้นแท้จริงฉันกลัวว่าหากฉันฝ่าฝืนพระท่วอภิบาลของฉันแล้วจะได้รับการลงโทษในวันอันยิ่งใหญุ่ลวชาาาออมู ชุ่มกล่าวเถือมนมูฮัมมัดว่าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ฉันจะไม่อ่านอัลกุรอานแก่พวกเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงให้พวกเจ้าได้รู้อัลกุรอานนั้นแน่นอนฉันได้มีอายุอยู่ในหมู่พวกเจ้ามาก่อนหน้านั้นพวกเจ้าไม่ใช้สติปัญญาคิดบ้างหรือ ดังนั้นผู้ใดเล่อาอาธรรยิ่งไปกว่าผู้กล่าวเท็จตอบล้ อ, ห ร, อหรือผู้ปฏิเสธต่อบรรดาโอการทั้งหลายของพรหมแท้จริงบรรดาผู้ทำผิดนั้นย่อมไม่บรรลุความสาเร็จ ويعبدون من دون الله ما لا ي ض ّ ه م ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعاء عند الله قل أ ت َ ب ع و ن الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ع ชและพวกเขาจะเคารพพระีสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ที่ไม่ได้ให้โทษแก่พวกเขาและไม่ได้กุญแก่พวกเขาและพวกเขาจะกล่าวว่าเรานี้คือผู้ช่วยเหลือเราณนะที่อัลลอฮ์ต้งกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะแจ้งข่าวแก่อัลลอฮ์ด้วยสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นวินกระนั้นหรือพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และทรงสูงส่ง เหนือสิ่งที่พวกเขาตั้ง่าขีขึ้นและมนุษย์นัน้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นประชาชาติเดียวกันแล้วพวกเขาก็แตกแยกกัน และหากไม่ใช่ลิกิตได้บันทึกไว้ที่พระทู้อภิบาลของเจ้าแล้วแน่นอนก็คงตัดสินระหว่ังพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาขัพากันกัน แล่พวกเขากล่าวว่าทำไมอภินิหารจากพระผู้อวยพของเขาจึงไม่ถูกประทานลงมาให้เขาชุงกัมหมาเถิดมังมัดว่าแท้จริงสิ่งร้นลับนั้นเป็นของอลอดพวกเจ้าจงคอยดูเถิดแท้จริงฉันนั้นอยู่กับพวกเจ้าในหมู่ผู้รอคอย وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ ب َ ع ْ د ِ ض َ ر َّ ا ء َِ مَسَّهُمْ ت ْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَع ُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ل َ م َ و َ ر َّ ا ل َ ه ِ م ْ مَنُودٌ لِيَلِمْ رَقْعَةً وَمَنْ ت َ ر ْ ج ا ع ُ و ن َ ดังนั้นพวกเขาก็มีอุบายต่อองค์การต่างๆของเราจงกล่าวเถิมมดมัวหมัดว่าเราทรงรวดเร็วยิ่งในการแก้อุบายแท้จริงบรรดามาลายกาของเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเจ้ากำลังทำอุบายกันอยู่ وفرحوا بها جاءت هارِح عاصف و جاءهم الموج من كل مكان و جاءهم الموج من كل مكان و ظنوا أنهم أ ح ي َ بهم د ع و ا الله مخلصين له الدين ดดนนรพระองค์ทรงให้พวกเจ้าเดินทางโดยทางบกและทางทะเลจนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าอยู่ในเรือและมันได้นำพวกเขาแล่นไปด้วยลมที่ดีและพวกเขาดีใจกับมันทันใดนั้นลมพายุได้พัด ก, กระหนำ่ำและคลื่นกระซักมายังพวกเขาจากทุกดา้าน และพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาถูกล้อมด้วยสิ่งเหล่านั้นพวกเขาจึงวิงวอนขอต่อร้อนด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ว่า้าพระองค์ทรงให้เราพ้นภัยอันตรายนี้แน่นอนยิ่งพวกเราจะอยู่ในหมู่ผู้กะตันบูทั้งหลาย ขั้นเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขารอดมาและพวกเขาก็ทำความเสียหายในทันดินโดยปราศจากความเป็นธรรมโอ้มนุษย์เอ๋ย ถ้้จริงการทำความเสียหายของพวกเจ้านั้นมันเป็นอันตรายต่อตัวของพวกเจ้าเองเป็นความเพลิดเพลินของชีวิตในโลกนี้เท่านั้นแล้วในที่สุดพวกเจ้าก็าจะกลับไปหาเราแล้วเราจะแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทาไว้มาตล ا خ ت ل ط ب ه نبات الأرض مما يأكل الناس و ا ل أ ع ا م حتى إذا أخذت الأرض زخرفها و ز ي ن ت وضمّ أهلها أنهم قادرون عليها. าาา ي ي แท้จริงอุปมาชีวิตในโลกนี้ด่างน้ำฝนที่เราได้หลังลงมาจากฟ้าฟ้าพืชของแผ่นดินได้คละเคล้ากับน้ำนั้น บางส่วนของมันมนุษย์และปะศุสัตว์ใช้กินเป็นอาหารจนกระทั่งเมื่อแผ่นดินได้ปรากฏความงอกงามของมันและถูกประดับอย่างสวยงามเจ้าของของมันก็คิดว่าแท้จริงพวกเขาเมีอำนาจเหนือมันทำบัญชาของเราได้มาอย่างมันในเวลากลางคืนหรือกลางวันแล้วเราได้ทําให้มันถูกเจ็บเกี่ยวเสมือนกับว่าไม่เคยปลูกมันไว้แต่วันวันเช่นนั้นแหละเราได้จำแนกองค์การต่างๆ แก่กลุ่มชนที่ใกล้กว่าพระลอส่งเรียกความไปสู่สถานที่แห่งสันติและส่งชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่ปรองทรงผสมไปสู่ทางที่เที่ยัดังลิลล์บินอัพสนุลฮุนาวูซยาด อสำหรับบรรดาผู้กระทำความดีจะได้รับความดีและได้เพิ่มขึ้นอีกความหมองคล้ำและความต่ำต้อยจะไม่ปกคลุมใบหน้าของพวกเขาชนเหล่านี้คือชาวสวรรค์พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล ا ل َّ ذ ي ن َ كَسَبُوا ا ل س َّ ي ئ ا ت ِ ج ز َ ا ء ُ س َ ي ئ َ ة ب ِ م ِ ث ْ ل ه َ ا و َ ت َ ر ْ ه َ ق ُ ه م ب ِ ا ل ل ه مَا ل َ ه ُ م مِنَ اللَّهِ م ِ ن ع ا ص ك َ أ َ ن م َ ا أ ُ غ ْ ش ي َ ت و ج ُ و ه ه ُ م ق ط َ ع ا مِنَ اللَّيْلِ م ُ ظ ْ ل ِ م ا أ ُ و ل ئ ا ك َ أ َ ص ْ ح ا ب ُ และบรรดาผู้ขวัขวายทำความชั่วการตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วเช่นเดียวกันความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขาไม่มีผู้คุ้มกันพวกเขาให้พ้นจากอาลาวได้เสมือนว่าใบหน้าของพวกเขาถูกปกคลุมไว้ด้วยส่วนหนึ่งของกลางคืนอันมืดคึกชนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا م َ كَانَ كُمْ أ َ ن ْ ت ُ م ْ و َ ش ُ ر َ ك َ ا ؤ ُ ك ُ م ْ أ َ ز َ ي َ ل ْ ن َ ا بَيْنَهُمْ وَقَالَ ش ُ ر َ ك َ ا ؤ ُ ه ُ م ْ مَا كُنْتُمْ إِيَّا لَتَعْبُدُونَ. แล้ววันที่เราจึงดุงพวกเขาทั้งหมดแล้วเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้ตั้งพาหว่า จงอยู่ณสถานที่ของพวกเจ้าพวกเจ้าและบรรดาภาทีของพวกเจ้าแล้วเราได้แยกพวกเขาออกจากกันและบรรดาภาทีของพวกเขากล่าวว่าไม่ควรเลยที่พวกเจ้าจะเคารพสตาระต่อเราอิ ดังนั้นจึงพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างเรากับพวกเจ้าแน่นอนเราไม่รู้เลยในกา ร, รเคารพสกาะระของพวกเจ้าเท่านั้น ขณนั้นทุกชีวิตจะถูกทดสอบถึง ส, สิ่งที่กระทำไว้ก่อนและพวกเขาจะถูกนํากลับไปอย่างอัลลอฮ์พระเจ้าที่แท้จริงของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาอุปลโลกขึ้นมาจะหนีไปจากพวกเขาออมมส จงกล่าวเถิด ม, มูมหมัดว่าใครเป็นผู้ประธานปักใจอย่างชี้มาจากฟากฟ้ า, ฟาและทผนดินแก่พูกเจ้าหรือใครเป็นเจของการได้ยินและการมองเห็น แล้วใครเป็นผู้ให้มีชีวิตหลังการตายและเป็นผู้ให้ตายหลังจากมีชีวิตขึ้นมาแล้วแล้วใครเป็นผู้บริหารกิจการและพวกเขากล่าวกันว่าอาลัลลอฮ์ดังนั้นจงกล่าวเมมาถิดมุฮัมมัดว่าและพวกเจ้ามายังเพลงบอกเลย นั่นแหละคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่แท้จริงฉะนั้นหลังจากความจริงแล้วจะมีอะไรอีกนอกจากความหลงผิดเท่านั้นแล้วทำไมเล่าพวกเจ้าจริงถูกให้หันเหออกไปอีกช่นนั้นแหละลิขิตของพระผู้อภิบาลของเจ้าย่อมเป็นจริงแชร์ผู้ที่ฝ่าฝืนว่า แน่แท้พวกเขาจะไม่ศรัทธากุ่ห้รูนจรับกอกล่าวนจดับกลอกล่าวมับยกวใว่ า, านจะไม่้ฤฤักาวยล่าวมดับวเลือก่าหมรับาวยหกวใร้าทนหมด่อาู่ทาน้กชลองพ่าวมักวเ่าใร้านจ่้าอว้า ที่เป็นผู้เริ่มแรกในการบังเกิดแล้วให้บังเกิดขึ้นอีกทรงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลลอฮ์ทรงเริ่มแรกในการให้บังเกิดและทรงให้มันบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นทำไมพวกเจ้าจึงหันเห อ, ออกจากความจริงแล้วลกกกกลลฮััมมมิินนชอออีี ت ت ทุ่งกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ามีใครบ้างในหมู่ภาทีของพวกเจ้าเป็นผู้ชี้ทางสู่สศธรรมทุงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลละฮ์ทรงชี้ทางสู่ศธรรม ดังนั้นผู้ที่ชี้ทางสู่สัจธรรมย่อมสมควรยิ่งกว่าที่จะรับการปฏิบัติตามหรือว่าผู้ที่ไม่อาจชี้แนะผู้ได้เว้นแต่จะถูกชี้แนะทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินกันเช่นนั้น และส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการนึกคิดแท้จริงการนึกคิดนั้นไม่อาจจะแทนความจริงได้จะอย่างไดแท้จริงอัลลอฮอนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำ และอัลกุรอานนี้ไม่ใช่จะถูกปั้นแต่งขึ้นโดยผู้ใดนอกจากอัลห์แต่เป็นการยืนยันคำพีที่มีมา ก, ก่อนและเป็นการจำแนกข้อบัญญัติต่างๆในนั้นไม่มีข้อสงสัยในคำพีนั้นซึ่งมาจากพระผู้อวิบาล หรือพวกเขากล่าวว่าเขามวฮัมหมัดเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นจงกล่าวเถิดมวฮัมหมัดผู้เจ้าจงนำมาสัตวบทหนึ่งเยี่ยงนั้นและจงเรียกร้องผู้ที่พวกเจ้าสามารถนำมาได้นอกจาก อ, าอัลลอ หากพวกเจ้าเป็นผู้พูด كذ به ك ذ แต่ว่าพวกเขาปฏิเสธที่พวกเขายังไม่รู้มาก่อนและสัญญาร้ายยังไม่ได้มาอย่างพวกเขาเช่นนั้นแหละ บรรดาชนรุ่นก่อนจากพวกเขาได้ปฏิเสธมาแล้วดังนั้นจงดูเถิดว่าบัรรปลายของพวกอาธรรมนั้นเป็นอย่างไรและในหมู่พวกเขามีผู้ศรัทธาต่ออัลกุรอานและในหมู่พวกเขามีผู้ไม่ศรัทธาและพระเจ้าของเจ้า ทรงทราบดีดิ่งตรอบันดาผู้บวนทำลายทั้งหลาย م م م และวถ้าพวกเขาปฏิเสธเจ้าก็จงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าการงานของฉันก็เป็นของฉัน และการงานของพวกเจ้าก็เป็นของพวกเจ้าพวกเจ้าจงปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่่านกระทำและฉันก็จะปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและในงูพวกเขามีผู้ฝังเจ้าเจ้าจะให้คนหูหนวกได้ยิน และถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ปัญญากระนั้นด้วยและถึงพวกเขามีผู้มองไปอย่างเจ้าเจ้าจะชี้แนะให้คนตาบอดและถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสายตาที่ใช้มองดูกระนั้นด้วย و, นนถ้าเจงอัลลอฮ์นั้นจะไม่สรงธรรมแก่มนุษย์แต่อย่างไดแต่ว่ามนุษย์ต่างหาที่กระทต่อตัวของพวกเขาเองวันที่จะพิชร์พวกเขาเหมือนไม่ไลบนั้นแต่เป็นเวลาหนึ่งในที่พวกูลบต่างกั ดุีะแล้ววันที่พระองค์ทรงชุมนุมพวกเขาประหนึ่งว่าพวกเขามิได้พอมนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เดียวในเวลากลางวันพวกเขาทักทายซึ่งกันและกันแน่นอนผู้ปฏิเสธต่อการพบทะเลาะย่อมขาดทุนและพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง مَّا اللَّذِينَ فَإِلَيْنَا عِدُهُمْ مَرْجِعُهُمْ และบางที่เราให้พวกเจ้าได้เห็นบางส่วนของการลงโทษซึ่งเราสัญญาแก่พวกเขาหรือเราจะให้เจ้าตายเสียก่อน ดังนั้นทางกลับของพวกเขาย่อมไปสู่เราและอัลลอฮฺะจะทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่พวกเขากระทำและทุกประชาชาติมีาศาสนาทูตถูกส่งมาดังนั้นเมื่อาศาสนาทูตของพวกเขาได้มาแล้วกิจการระหว่างพวกเขาก็ถูกตัดสินโดยเที่ยงธรรม โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรามและพวกเขาจะกล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะปรากฏหากพวกเจ้าพูดจริง ทรงกล่าวเถิะมูฮัมหมัดว่าฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตัวฉันเว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์สำหรับทุกประชาชาติย่อมมีเวลาตำหนดเมื่อเวลาของพวกเขามาถึงพวกเขาจะขอผ่อนผันให้ลาชาสักระยะเวลาหนึ่งไม่ได้ และจะร่นเวลาให้เร็วขึ้นก็ไม่ไดาล้อรไยทุมอินเอตาคุมาดาบูบยาตั่เอาวละรัมั่น ว, วกเจ้าวเห็นแล้วมิใช่ห่ืหากการลงโทษของพระองค์ประสบแก่พวกเจ้าในเวลากลางคืนหรือกลางวันทำไมพวกอาชญากรเหล่านั้นถึงขอร่อนเวลาแวา อันอาละกดคุณทุนบิฮีทัสต่าจินูนคารเมื่อมันเกิดขึ้นพวกเจ้าก็สถาต่อปรุ่มกระนั้นนอถ น, นานี้พวกเจ้าสถาต่อหน้านั้น พวกเจ้าเคยเย้ยยันขอรนเวลาแล้วมีเสียงกล่าวแก่พวกตัธรรมว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสกาลงโทษอันีรังเถิดพวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนเว้นแต่สิ่งที่พวกเจ้าผลขวายไว้เท่านั้น และพวกเขาจะสอบถามเจ้าว่าการลงโทษจะเกิดขึ้นจริงหรือจงกล่าวเถิดมังมัดว่าแน่นอนทีเดียวขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลจังแท้จริงมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและพวกเจ้าจะไม่สามารถรอดไปได้ หากทุกชีวิตที่อาทรรพที่อยู่ในแผ่นดินจะยอมไถ่ตนแต่ก็เป็นไปไม่ได้ และพวกเขาก็จะซ่อนความเสีใยใจเมื่อเห็นการลุ่ทวและจะถูกตัดสิ น, นระหว่างพวกเขาอย่างเที่ยงธรรมโดยพวกเขาจะไม่ถูกอธรมำตัวแบบนั้นขุนทราบจุดหวัา แท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่าแท้จริงสัญญาของอัลลอ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่พวกเขาสนมากไม่รู้ uh uh um พระองค์ทรงให้เป็นและให้ตายและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปย น, นุ่งละทุมมิ่นรับิคุมวชิชาอลิมาทิสศูดยรวะุด้วยวะรัฐมาตุลลิลมุ่นนินอุ้มนุ่งหลายแท้จริงข้อตเตือนจากอันอุราฮนจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วและมันเป็นการบำบัดสิ่งที่มีอยู่ในสวง อ, อกและเป็นการชี้แนข่ขง แล้วก็เป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาฉันกระหายเถอดมุ่งมัน่นไม่ด้วยความโปรดปานของลอร์และด้วยความเมตตาของพระองค์ดังกล่าวนั้นพวกเขาจงดีใจเถิดซึ่งมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้ันอารายตุ ม, ม ทุงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือซึ่งเครื่องยังชีเสียวล้อทรงประธานให้แก่พวกเจ้าและพวกเจ้าก็ทำให้บางส่วนเป็นที่ต้องห้าม และบางส่วนเป็นที่อนุมัติจงกล่าวเถิอนุมัตว่าลอส่งอนุมัติให้แก่พวกเจ้าหรือพวกเจ้าตุกลลกให้แก่อัลลอฮ์กันแน่ และบรรดาผู้ที่อุปโลกความเพ็รให้แก่อร์จะนึกคิดอย่างไรในวันพระโลกแท้จริงอลร์นั้นเป็นผู้ทรงมีบุญคุณต่อมารุ์แต่ถ้าว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณมมมมมคูนนิิิุุกลลลลอออชด ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفظن فيه وما يعزب عن ر ب ك من مثال درة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر วและเจ้าไม่ได้อยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดและเจ้าไม่ได้อ่านบางส่วนจากบัญในอัลกุรอานและไม่ได้กระทําการใดๆเว้นแต่เราได้เป็นพยานแก่พวกเจ้าในขณะที่พวกเจ้ากําลังมุวนอยู่ในเรื่องนั้นและจะไม่รอดพ้นจากพระผู้อภิบาลของเจ้า การกระทําใดๆที่มีน้ำหนักเท่าทุลีทั้งในแผ่นดินและชั้นฟ้าและที่เล็กกว่านั้นและที่ใหญ่กว่านั้นเว้นแต่อยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสิ้นเพิึงทราบเผือนว่าแท้จริงบรรดาผลที่อัลลอฮ์รักนั้น ไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่เสียใจคือบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขามีความยำเกรงละทบ ديل ل ล ل م ا ت الله ذلك วั ا ل าว ز ا ل ع ظ ีม สำหรับพวกเขาจะรับท่าวดีในในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และโลกหน้ามม่มีการเปลี่ยนแปลงในลิขิตของอัลลอฮ์นั่นคือชจชนามอันยิิงยังและคำพูดของพวกเขาจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจแท้จริงอำนาจทั้งมวลนั้นเป็นของอัลลอ์พระองค์ เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบถึงว่า แท้จริงทุกสิ่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและทุกสิ่งในแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอ์และบรรดาผู้ยิงบวรขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นั้นจะไม่ปฏิบัติตามพาธีเหล่านั้นพวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามเว้นแต่การคาดคิดเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากการคาดคิด <S <S อพระองค์ผู้ทรงบรรดาลกลางคืนให้แก่พูกเจ้าเพื่อพูกเจ้าจะได้พักผ่อนและกลางวันเพื่อจะได้มองเห็นแท้จริงดังกล่าวนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้ชนที่ได้ยินอย่างแน่นอน ผาาู้าา عل عل าา เ, เขากล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงเอาพระบุตร ม, มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านพระองค์ทรงพอเพียงจากสินใดๆที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและที่อยู่ในแผ่นดินเป็นของพระองค์ พวกเจ้า ม, มีหลักฐาน ใ, นใดๆในการกล่าวเชน่นนี้พวกเจ้าจะกล่าวให้ร้ายต่อร้อในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ ก, กระดานหรือซุนค์คารฮาจีรดมูฮัมหมัด ว่าแท้จริงบรรดาผู้กล่าวเพียนต่อรอนั้นไม่ประสบความสาเร็จดอกความเพลิดเพลินในโลกนี้แล้วพวกเขาก็กลับคืนมาสู่เรา แล้วเราจะให้พวกเขาลิ้มรสการลงโทษอย่างหนักเพราะเหตุท uh um> ี่พวกเขาปฏิเสธสภา แล้วเจ้าจงอ่า น, น้เขาฟังเรื่องของดามีโนเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันหากว่าการทักอยู่ของฉันและการตักเตือนของฉันด้วยองค์การทั้งหลายของมาร์ลเป็นเรื่องใหญ่ต่อพวกเจ้าแล้วฉันก็ขอมอบหมายแด่ลอ AH เท่านั้น พวกเจ้าจงร่วมกันวางแผนของพวกเจ้าพร้อมกับบรรดาภาชีของพวกเจ้าเถิดแล้วอย่าให้แผนของพวกเจ้าเป็นที่ปิดบังแก่พวกเจ้าแล้วจงดำเนินการต่อชั้นทันทีโดยอย่าได้ลังเลแต่เอตว หากว่าพวกเจ้าพินหลังให้ฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนใดๆจากพวกเจ้าแต่ารางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอฮและฉันถูกทายให้อยู่ในหม ceğiz, ูห่ผู้นอกน้อมบบา ลูววกเราพบปฏิเสธนะเราได้ช่วยเขาและผู้ที่อยู่กับเขาให้รอดพ้นอยู่ในเรือและเราได้ให้พวกเขาเป็นตัวแทนในเวลาต่อมาและเราได้ให้ผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราจมน้ำ แต่น bon ั้นจงดูเถิดว่าบรรปลายของผู้ที่ถูกเตือนนั้นเป็นอย่างไร นิบหลังจากเขานัวแล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตไปยังประชาชาติของพวกเขาและบรรดาศาสนาทูตเหล่านั้นได้นําหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาแต่พวกเขาไม่ได้ศรัทธาในสิ่งที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธต่อนวัวมาก่อนเช่นนั้นแหละเราได้ประทับตราบนหัวใจของบรรดาผูฟาฟ้ฝ่าฝืนเหล่านั้น หลังจากพวกเหล่านั้นแล้วเราได้ส่งมูสาและฮารุลไปยังฟิโรและบรรดาผู้ดังของเขาด้วยสัญญาณทั้งหลายของเราพวกเขาก็เย่อหยิ่งโอหัง ท่กาดยมี่าพวกเขาลเปานกล่าชนที่มิีควอมายาคนอันชัดแจ้ง่านอความจริงจากเราได้มาอย่างพวกเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงนี่คือมาอยาคนอันชัดแจ้ง โมเสสได้กล่าวว่าพวกเจ้าได้กล่าวร้ายต่อความจริงเมื่อมันได้มาอย่างพวกเจ้ากระนั้นดื้อนี่คือมายาคนและนักมายาคนนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จหรอก ว ن ن พวกเขากล่าวว่าเจ้ามาหาเราเพื่อที่จะหันเหรเราออกจากสิ่งที่เราได้พบเห็นาศาสนาของบรรพบุรุษของเราและเพื่อที่ความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินจะได้เป็นของเจ้าทั้งสองกระดานเรือและเราจะไม่สภาต่อเจ้าทั้งสองเป็นแน่ ลาฟิรูนได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงนำมาให้ฉันนักมาากลผู้เที่ยวชาญทุกคนเมื่อนักมาวกลมาแล้วมูซาได้กล่าวกับพวกเขาว่า พวกเจ้าจงโยนสิ่งที่พวกเจ้านำมาเพื่อจะโยนถึกเมื่อพวกเขาได้โยนไปแล้วมูซาได้กล่าวว่าสิ่งที่พวกเจ้าด้นำมานั้นคือมายากลแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงทำลายมัน แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้การงานของผู้บ่อนทำลายดีขึ้นแล้วเราทรงให้สัจธรรมยืนหยัดอยู่ด้วยคำดำรัสของพระองค์และแม้ว่ามันดาคนชั่วจะเกลียอนฉ า, างก็ตาม ไม่มีใครศรัทธาต่อโมเสสนอกจากลูกหลานบางคนจากกลุ่มส่วนของเขาเนื่องจากความตัวต่อเฟรอุและหัวหน้าของพวกเขาจะทำความเดือดร้อนแก่พวกเขาแต่แท้จริงเฟรุอุนั้นเป็นผู้หญิงพยองในแผ่นดิน และแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้ละเมิดและมูซากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอ์พวกเจ้าก็จงมอบหมายต่อปรงุงหากพวกเจ้าเป็นผู้ยอมจำนน พวกเขากล่าวว่าแดอลลอเราขอมอบหมายโอ้พระวิวาณของเราได้โปรดอย่าให้เราเป็นเครื่องทดลองสำหรับกลุ่มชนผู้อทธำเลยและได้โปรดช่วยให้เรารอดพ้นจากกลุ่มชนผูพษษ้พฏิเสธศรัา ด ย, ดยและเราได้มีองค์การแก่มูซาและพี่ชายของเขาคือฮารุ ได้จัดสร้างบ้านเรือนให้แก่กลุ่มชนของเจ้าทั้งสองในอียิปต์และจงทำบ้านของพวกเจ้าเป็นกิจไรและจงปฏิบัติละหมาดและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธา ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طلِس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم แล้วมูสอาดีกล่าวว่าโอพระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองท่านทรงประทานความสำราญ และทรัพย์สินแก่ฟือูฟและหัวหน้าของเขาในการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้โอ้พระผู้อวิบาลของเราโดยที่พวกเขาทำให้กลุ่มชนหลงออกจากแนวทางของพระองค์ท่านโอ้พระผู้อวิบาลของเราขอพระองค์ทรงทำลายทรัพย์สินของพวกเขาและโปรดทำัวดใจของพวกเขาแข็งกระดา้างเพื่อไม่ให้พวกเขาสาัทาจนกว่าพวกเขาเห็นการลงโทษอันเจ็บปวด ปรากฏว่าการยิงวลของเจ้าทั้งสองถูกรับแล้วเจ้าทั้งสองจงดำเนินตามทางที่เที่ยงธรรมและอย่าปฏิบัติตามแนวทางของผู้ที่ไม่รู้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 มถ้าเราได้วงวานของอิสราเอลข้ามทะเลพล้ไปดังนั้นฟิรูห์และพลพรรคของเขาได้ติดตามพวกเขาไปโดยอาธรรมและเป็นศัตรูจนกระทั่งเมื่อการจมน้ำได้ประสบกับเขาเขาเกล่าวว่าฉันศรัทธาแล้วว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากผู้ที่วงวานของอิสราเอลได้ศรัทธาต่อพระองค์ الآن آل وقد عصيت قل وكنت من المفسدين. باتن، และแน่นอน،เจ้าเป็นผู้ทรยศก่อนหน้านี้และเจ้าเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้บา ن خلقك آية าออิินนัมยลดังนั้นวันนี้เราจะให้ร่างของเจ้าออกจากทะเลเพื่อจะได้เป็นสัญญาณกระชนบุญหลังจากเจ้า แต่แท้จริงมนุษย์ส่วนใหญ่เฉยเมยต่อสัญญาณต่างๆของเรา และโดยแน่นอนเราได้วงวานอิสราเอลทำนักอยู่ณสถานที่อย่างดีและเราได้ปัจจัยอย่างชีพทีดีมากมายแก่พวกเขาแต่นั้นพวกเขาไม่ได้แตกแยกกันจนกระทั่งเมื่อคำภีได้มาอย่างพวกเขาแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้า ทรงตัดสินหว่างพวกเขาในวันกยามาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน หากเจ้าอยู่ในการสงสัยในสิ่งที่เราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้าก็จงถามบรรดาผู้ที่อ่านคัมภีร์ก่อนหน้าเจ้าโดยแน่นอนสัจะทตธรรมจากพระผู้อวิบาลนของเจ้าได้มาอย่างเจ้าแล้วดังนั้นเจ้าอย่าอยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันขาด แลวเจ้าจะเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธโคการทั้งหลายของฮะรอแล้วเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ขาดทุนแท้จริงบรรดาผู้ที่ประ ด, ดับดัดของพระผู้อภิบาลของเจ้าได้บัญญัติแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็จะไม่ศรัทธา ى ي <يم> และไม่ว่าทุกสัญญาณได้มาอย่างพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะแลเห็นการลงโทษจางเจน็บปวดแล้วละคามัตฝรีย์ตัอามนั فعهاإيمانها إلا قوم يُوس ดังนั้นทำไมจึงไม่มีหมู่บ้านสักแข่งหนึ่งศัธาโดยที่การสรัทาของพวกเขาจะอำนวยประโยชนวแก่พวกเขานอกจากกลุ่ชนของอยูนัส เมื่อพวกเขาศรัทธาและได้ปลดเปลื้มการลงโทษอันอัปยศจากพวกเขาในการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้และเราได้ยืดระยะเวลาหนึ่งให้แก่พวกเขาลารลรมมมิอรร และหาพระผู้อวยพรของเจ้าทรงประสงค์แน่นอนผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวลจะศรัทธาเจ้าจะบังคับผู้คนจนกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ศรัทธาการะนั้นด้วยและไม่เคยปรากฏว่าจะมีชีวิตใดศรัทธาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ และพระองค์จะทรงลงโทษแก่บรรดาผู้ไม่ใช้สติปัญญาจงกล่ล า, า, วลกา ว, ลลาวเกิดมุวัมมัดว่าพวกเจ้าจงรู้ว่ามีอะไรในชั้นฟ้าทั้งหลายในแนผน่นดินแต่สัญญาและการตัดเตือนจะไม่อำนวยประโยชน์แก่กลุ่มชนที่ไม่สัมผั เพรกะเขาจะไม่คอยดูสิ่งใดนอกจากการคอยดูเยี่ยงวันทั้งหลายของผู้ที่ลงลับไปก่อนพวกเขาจงกล่าวเถิดมอมัดว่าพวกเจ้าจงคอยดูเถิดแท้จริง ฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้คอยดูตุุมมนนสลลาดีกกแล้วเราจะช่วยบรรดาเรอซูดของเราและบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้นเช่นนั้นแหละเป็นหน้าที่ที่เราจะช่วยบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้น أنتم <تضحك> في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي ي ت و ف ا ك م وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم ق غ ت ل ا و م ح م د و َ أ م ن ُ و ا ت ن ْ ع ي หากพวกเจ้าสงสัยในศาสนาของฉันดังนั้นฉันจะไม่เคารพพักดีบรรดาที่พวกเจ้าเคารพพักดีอื่นจากอัลลอ์แต่ฉันจะเคารพพักดีอัลลอ์ผู้ทรงทำให้พวกเจ้าตายแต่ฉันได้รับบัญชาให้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผูซับห์แล้วว่าจงม่งใบหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาเที่ยงตรง และจงอย่าอยู่ในหมู่พู้ตั้งภาคีและเจ้าอย่าวิงวอนขอสิ่งใดอื่นจากอัลล่ะที่ไม่อำมืประโยชน์แก่เจ้าและไม่โทษแก่เจ้าหากเจ้ากระทําฉันนั้นท้าจิงเจ้าจะอยู่ในหมู่พูดอาทํา و َ إ ِ ي َّ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا ِ هُوَ و َ إ ِ ي َ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنَ الْعُبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ และหากพระลอดจะทรงให้อันตรายประสบกับเจ้าแล้วก็จะไม่มีผู้ใดกดกลืนมันได้นอกจากพระองค์เท่านั้นและหากพระองค์ทรงปรารถนาดีแก่เจ้าแล้วก็จะไม่มีผู้ใดกีดกันความโปรดปรานของพระองค์ได้พระองค์จะทรงให้ประสบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากวงเบาวของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออุล ََ ق َ د جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا ي َ ظ ل عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ แน่นอนสัจธรรมจากพระพิบานของพวกเจ้าได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแท้จริงเขาต้องดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวของเขาและผู้ใดหลงทางแท้จริงเขาก็หลงทางเพื่อตัวของเขาและฉันไม่ได้เป็นผู้ปกป้องพวกเจ้า และจงปฏิบัติตามที่ถูกเป็นองค์การมาอย่างเจ้าและจงอดทนจนกว่าอลอตจะทรงตัดสินและพระองค์เป็นผู้ทรงตัดสินที่ดียิ่ง